ฟั <c oughs> งเรู้คฟางธรรมหลงพ่อจะต่าใช้พูดไม่ใช่เล่านยิยายเป็นเรื่องของชีวิตติตใจเราไนชีวิตเรามันก็มีอยู่สองส่วนส่วนกายส่วนใจแต่ว่ากายว่าใจนี่มัน ไม่ค่อยมีค่าแต่ใครก็รู้ร่างคายต้องกาต้องลึกซึ้งเข้าไปก่อน ม, มีสติมีสติดูให้เห็นจนเห็นเป็นลูกเห็นเป็นนามให้เห็นเป็นลูก ป, ปิดทองเห็นเป็นนาม เส้นมนเป็นลูกไม่มีอะไรที่ใหญ่กว่าลูกสสวนเี่นันเป็นนามก็เป็นไปตามหน้าที่ของนามแต่ถ้าไม่มีสติระหว่างลูกกับนามจะไม่ค่อยเป็นทราต่อกันลูกเรียกเปลียนนามนามเรียกเลียนรูปความทุกข์ของลูกก็ไปทุกข์ของนาม ความทุกข์ของนามก็เป็นทุกข์ของลูกลูบนามเนี่ยถ้าเราไม่มีสติจะไม่มีความเป็นธรรมต่อขะจะไม่มีความเป็นธรรมจนเจนเกิดเก็บไข้ได้ปวดเพราะลูกก้อนาเนี่ยวิโลกใครไข่เก็บบางอย่างเกิดจากลูกจากนามไม่มีกฎเป็นธรรม เกีนความโกรธไปทุกลูกคุณหมอก็อก็บอ ก, กว่าถ้าโกรธถ้าเครียด ก, ก็มาแก่เป็นโรค ก, กับเพราะอาหารความโกรบเป็นเรื่องของหนาวแต่ว่าตัวลูกเป็นทุกเป็นผลกระทบเป็เรื่องของลูกเป็นความร้อนความหนาวความเจ็บปวดไปทุกที่หนาว นก็จำต้องทุกไปสองเท่าถ้าเรามาดูมามีสติดูเห็นเป็นลูกเห็นเป็นน้มตัวสติจะเข้าไปเป็นกลางระหว่างรูประหว่าง น, าน้าสติจะเป็นกลางไม่ว่าอะไรถ้ามีความเป็นกลางเกิดขึ้นระหว่าง มากแตเกิดความเป็นตาชีวิตเรานะแต่ชีวิตนอกากตัวเราก็ต้องก็มีมันกับบุคคลที่หนึง่งที่สองที่สาในความเป็นการพูดตกลงฟงใจเข้าใจซึ่งกั น, นะะและกันได้าดเป็นบุคคลที่เชื่อถือพูดในความเป็นตา แต่ว่าความเป็นธรรมจริงๆมันต้องต้นจากตัวเราเราจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากภายนอกหาได้ยากแต่ถ้าเรา ม, ามีสติมาสาสติเนรู้สึกตัวรู้สึกตัวเห็นกายเห็นใจเห็นเป็นโูกมาทำเห็นเป็นนามมาทำเรื่องของรูกมันจะเหมาะจะเอก เรงของลูกเรื่องของดาวของจะบอกเรกมันออกมามันใช้ให้เรามันคืออ่อนถ้าสติได้ดูได้เห็นแล้วเป็นนั้นว่าลืมไม่เป็นถ้าจะเป็นคําตอบของเขาสติเขาก็ต่อว่ารู่แล้วรู่แล้วอะไรที่มันแสดงออกทางลูกสติจะตอบว่ารู่แล้วรู่แล้ว อะไรที่แสดงออกทางนาสติจะตอบว่ารู้แล้วรู้แล้วคําว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้จะไม่มีเลยชีวิตชีวิตที่ไม่มีจบเป็นชีวิตที่ไม่มีเป็นจําเลยค่ับถ้าเราไปเออ่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ เราก็ตกเป็นจํารเลยเพราะมีจบกเ็เป็นภาระเป็นพาระต่อไปถ้าสติเป็นว่ารูแแแ้แล้วรู้แล้วแสดงว่าเฉลยได้ชีวิตของคนเราส่วนมากจะมีปัญหาในสองอย่างก็เรื่องขายเรื่องจาจเรื่องอื่นไม่เท่าไหร่เป็นอันลอ้อไม่บุคคลอื่นก็เป็นร้อถ้าเรามารู้ตัวเราได้ มักจะเข้าใจคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันคําว่าลู่แล้วรู่แล้วภาษาบาลีเลยว่าปัญญาสิอัญญาสิอัญญาสิวัจโปคนตันยุอัญญาสิวัเโภคนทันยรู่แล้วหรือลู่แล้วหรลู่แล้วรู่แล้วเป็นคนแรกคือปัญญาคนตัญญารู่แล้วลู่แล้วลู่แล้วหรือลู่แล้วลู่แล้ว เพราะว่ารูดแล้วเนี่ยมันก็หลุดพ้นอยู่ตรงนั้นเราจะมาสร้างก็ได้คำว่ารูดแล้วเนี่ยมันเป็นภาษาธรรมในภาษาที่ไปเห็นลูกเห็นนาำเห็นธรรมชาติของลูกเห็นธรรมชาติของนาำเห็นอาการของลูกเห็นอาการของนาำตามคนเป็นจริงไม่เป็นอีกไม่เป็นอีกหนึ่งเดียวเท่านั้น เหมือนกันทุกคนเหมือนกันทุกชีวิตอันชื่อว่ารูปอันต่างไม่ต่างกันเป็นสัจธรรมเป็นอันเดียวกันเป็นสากลสากลแห่งธรรมคือรูปความธรรมคือนามธรรมคือสติคือสัพพัญญะผมรู้สึกตัวผมรู้สึกตัวมันก็ไม่เหมือนกับความหลงตรงกันข้ามพอดีความหลงก็ไม่ใช่ความรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกตัวคู่กับความหลง ก็มีความหลงก็มีความรู้สึกตัวก็ถือว่าเรียบเทียบกนะันไม่ไม่สุดโต๊ะในความรู้ในความหลงีจะเกิดความเป็นกลางีจะเกิดความเป็นธรรมในความทุกข์ในความไม่ทุกขนะ์มันตรงกันข้ามพอดีเหมือนพระสิทธธธัตถะที่แรกก็ตอบไป เห็นกายเห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บของคนตายเสวทายจะเมื่อมีคำตอบเลยพยายามที่จะตอบสิ่งเหล่านี้ให้ได้ก็มองว่าถ้ามีความเกิดก็ต้องมีไม่เกิดถ้ามีความเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บถ้ามีความแก่ก็ต้องมีไม่แก่ถ้ามีความตายก็ต้องมีความไม่ตายอะไรที่ไม่ตายคงจะค้นหาจนพมด มัก็เป็นเรื huh ่องของโลกประธรรมของนามธรรมความโกรธเป็นการเกิดแก่เก็บตายความไม่โกรธเป็นส <why> ิ่งที่ไม่เก enfin ิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายความไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายมีอยู่ในชีวิตเราความโกรธเป็นสมมติปัญญาความไม่โกรธเป็นปรมัตาจักรความหลงเป็นสมมุติความไม่หลงเป็นปรมาจักรความทุกข์เป็นสมมติความไม่ทุกข์เป็นปรมาจัเราลข้อข้าง เราเข้าข้างอันไหนที่เราถ้าเราไม่ศึกษาไม่ค่อยมีการมีประสบการณ์ในบทเรียนมั่อเกิดเข้าข้างไม่ค่อยถูกบางทีเก็บรีบเอาความหลงรีบเอาความโกรกยึดเอาความทุกข์เมืเ ก, กิดไหลไปทางนความโกรกก็ไม่รสชาติทำให้คนลืมมันไม่ได้บางคนลืมไม่เป็นอย่างให้ความโกรกนอนอยู่กับชีวิตเราข้ามวันข้ามคื ทั้งๆที่ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเรามาดูตรงกันข้ามมามีสติมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลกปฏิคือเปลี่ยนเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนร้ายเป็นดีเป็นหลงเป็นโู่เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนปฏิเสธเปลี่ยนผิดเป็นถูกเราจะมาสร้างตัวเี้อย่าเพิ่งหาทางตอ เอากกรร่าเอาการกระทําเอาการกระทําการกระทํามันจะลิขิตปัจจัลิขิตไปเคนของการกระทํามันจะลิขิตไป เ, รรรมม ไ, ปเไม่ต้องไปใช้สมองทําอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมายัางสมกับวิชาที่เรียกว่ากรรมช า, ากรรมเป็นสิ่งที่จาแนกสักด์ ทางมนาวัตติโลกโอสันโลกย่อมเป็นใบตับเก่าเพราะวัตศาสนาสอนหนึ่งในว่าอารทะเลาะมาสร้างความรู้สึกตัวมาสร้างความรู้สึกตัวนะตรงนี้อย่าให้บกพร่องอันอื่นไม่บกพร่องหรอกชาวคนเราคนไทยเราอันเดื่นไม่บกพร่องหรอกการปฏิวัติอะไรไๆต่อกันต่อประเทศชาติไม่บกพรอ่องแต่ว่าปาร์โ ต, โตเนี่ย ก็ศรัทธาทั้นั้นในกติกาสาระใ <c oughs> บริเวณอะไรต่งางๆเป็นผลศรัทธาของพวกเราไม่บกท่องแต่ว่ามันบกท่องอยู่ตัวลูกกับตัวหลงลอ ง, ลองามาเสริมตัวในกับการมาเสริมตัวในหลงสั หนึ่งวันถึงเก็บวันให้โอกาสให้โอกาสต่อชีวิตเราพยายามาสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวฝันอื่นทวายก่อนทำไมมันจะรู้สึกตัวเอากายเอาใจเนี่ยมาปิดมาประกอบมาสัมผัสมาต่อเป็นวัสดุประกอบปิดให้บันเกิดความรู้สึกตัว นับตั้งแต่พิศตาคืนน้ำลายหัดเจ็บตกเล็กๆน้อย ๆ, อยๆหัดช่วยโอกาสนิดหน่อยก็ยังดีบางทีเราอาจจะไม่มีเวลามานั่งยก ม, มือสร้างจังหวะบางทีเราอาจจะไม่มีเวลามาเดินอยู่ในเส้นทางเดินจงกรมแต่หัดช่วยโอกาสเริ่มว่ายเรื่อยๆลังดับลังนำผิดใส่ใจใตามมีสติไปกับท่าน ในชีวิตเวลาใดที่เราไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดินจํากรมเวลาใดที่เราไม่ได้มีโอกาสนั่งสร้างจิตวะถ้าเร า, สาใส่ใจเรื่อบทอื่นนะ่ะถ้ามันถ้ามันรู้สึกได้รู้สึกได้มันจะเป็นการลาด ม, ม, มันไม่มันไม่เหมือนขึ้นหน้าผาไม่เหมือนถับถักด้ามผ้าด้วยเขา่ามันเขาสร้างทางขึ้นเขา จะขึ้นนาขาชันชันแขึ้นเลยต้องลาดตไว้ก่อนลาดตรงสาพอที่รถจะขึ้นได้ที่วิทย์ของเราก็วัางกันอยู่ๆจะมาหับมาหอมอะไรให้ลู่ทันทีไปให้มันหลงลู้ทันทีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกอาจจะเกิดการเข็ดหลดนะับ การหักเก็บตกชีวิตของเราเนะี่ยหัดลูกไป อ, อะไรที่ไม่ใช่รียกที่เราเกศนาพยายามล ำ, ลำดับลานาจิตใส่ใจตามเอาแฝงมันก็จะง่ายโดยเฉพาะกรรมฐานโดยเฉพาะการเจริญสติแบบนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องที่รีบรวจวบ มัน เ, เป็นเรื่องที่เร็ตรวดมันเป็นเรื่องที่รัดไวรัดย่างไงตัวที่เราจะมายกมือสร้างจังหวัดมันผ่านอะไรมาพัวที่จะมาลู่ที่มือเมันผ่านอะไรบ้างบ้างกันคนเราจะมาลู่สึกตัวอยู่ที่กายเคลื่อนไหวมันผ่านอะไรมาตัวที่เราจะมากําหนดลู่ก้าวแต่ละก้าวที่เราเดินไปมันผ่านอะไรมะมันลัดจนขนาดมาลู่อยู่ใน ท่านที่เรามีอะไรเลยเยอะแยะไปดแล้วแต่อยู่ดีว่าลูกมือเคลื่อนไหวไปมาโอ้ไม่ใช่เนิ่นชาแล้วน่ะมันนัดมันไวมันตรงถ้าเราทําตรงนี้ทํามันไวจนเกินไปบางทีเราก็ตามม่างไปครับเราจึงพยายามทำมันลู่ช้าๆบาท่านที่มันการกระทารําของเราต้องการัดอยูมากอีกแล้ว เรายังเป็นเล่งไปโหมก็ไปเองก็ไม่ไม่ถูกต้องพางทีก็เกิดการงงเงาห่อนอนไปแต่เรามายกมือรูดสึกตัวเนี่ยโอ้มันมันปฏิบัติตรงแล้วจนมายกมือรูดสึกตัวนี่แหละคือตัวตรงปฏิบัติตรงแล้วเดินก้าวทีละก้าวลูดสึกตัวทีละก้าวเนี่ยปฏิบัติตรงแล้วลัดแล้ว จนมาถึงความรู้ส ouais. ึกตัวความรู้สึกตัวก็คือทั้งหมดของเความรู้สึกตัวก็คือทั้งหมดของพรหมจรรย์พรมมจารย์ทั้งหมดความรู้สึกตัวมันเกิดอะไรจึความรู้สึกตัวควารู้สึกตัวไม่เปิดไม่เพื่อนควารู้สึกตัวไม่เปิดไม่เพื่อนกับหราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ถ้าเป็นเราก็ไม่บริสุทธิ์เปื่อนเลอ่ะเปื่อนแล้ยไป ด่าแล้วค่อยแล้วแต่เป็นศีลก็ทะลุแล้วด่างแล้วค่อยแล้วภิกษุเมื่อเธอคุณคิดในลมที่คุณคิดเธอไม่มีสติเธอไม่มีสติก็แสดงว่าศีลของเธอทะลุแล้วด่างแล้วค่อยแล้วในภพมจานทร์นะแต่ว่าภิกษุใดเมื่อเธอคุณคิดในลมที่คุณคิดเธอไม่ีสติเธอไม่มีสติสลัดอารมณ์นั่นลู่สิทัว สินของเธอก็ไม่ทะลุไม่ดักไม่ร้อยตัวสินเองก็คือความรู้สึกตัวบริสุทธิ์นีแหละประพฤติพรมมาจัดสร้างความรู้สึกตัวมันเป็นพรมมาจัดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชอมีสติมันก็รับความชั่วมีสติมันก็ทำความดีมีสติคิตมันก็บริสุทธิ์ พอใจก่อนี้เราจะมายกมงอช่างจังหวะรู้สึกตัวหนุ่มหน้ายกมือไหว้ตัวเเป็นความพอใจเป็นสุดเป็นที่สุดของการทําความดีอะไรในความรู้สึกตัวแล้วเวลาอะไรที่มันหลงไปรู้สึกตัวเนี่ยมันค่อยใช่ได้ความรู้สึกตัวใช่ได้จริงจริงปรับความหลงเป็นความโลดได้ปรับความผิดเป็นความถูกปรับความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ปรับความโกรธเป็นความไม่โกรธ มันเป็จของตรงกันขราบปฏิบัติได้ให้ผลได้อย่างนี้ไม่มีใครที่ทำไม่ได้ถ้ามันลงคิดไปถึงบริเรฟพลิกมือขึ้นรู้สึกมันก็กลับมาถูกทำได้ทุกคนนี่คือของเก่ง น, นี่คือสัจธรรมขอให้เราใส่ใจตรงนี้แต่ตื่รื่รล้นตรงนี้อย่าปล่อยบาทีหย่อนยานแบหมกมุ่นคนชิดไป อ, อาจจะ เราเดินอยู่กี่โมงหนึ่งถ้าเดินพอดีพอาจจะได้สักสี่พันเก้าแต่ลูกทักเก้าก็ได้สี่พันลูกแต่ถ้าเราย่อหย่อนก็ปล่อยลงไปซะอาแจะลูกสิบครึ่งสองพันเก้าสองสองพันลูกหลงไปสองพันลูกไปครึ่งหนึ่งทำไมอาจจะหลงครึ่งหน่งลูกครึ่งหน่ะหรือยกมืองจังหว่า การเคลื่อนไหแต่ยกพอดีพอดีเนี่ยวินาทีละลู่วินาทีละลูลู่ลูลูเนยอ่าวินาทีลู่วินาทีหนึ่งลู่ข้างน่ชาติเขไม่ชาติเกินไปเท่าไหร่เไม่ไปเินเนี่ยจัวหนึ่งก็ได้สามพันหกร้อยลู่อาจจะหลงไปสักครึ่งนะแต่าสร้าสรว่าอาจจะลงไปสักครึ่งก็ยังดี ยังเก็บได้เาอาไปมากก็ค่อยเก็บเอาเก็บเอค่อยทีขึ้นทีขึ้นเวลามาก็มาหลงความหลงเนี่ยยากที่จะหลงทําไมใหม่มันง่ายที่จะหลงแต่ทไปทำไปมันง่ายที่จะหลงอะไรก็รู้แตามันเป็ น, ป น, ม, น ม, ม, ม, มันเป็นทําให้เป็นมันก็มีอกาสตร์ชั้นยศนัมันเป็นชีวิตเรามันเพื่อเรื่องนี้เป็นเก่งถ้าเราฝึกเพื่อเรื่องนี้อะไรก็ตาม ที่เรามีคือความรู้สึกตัวหายใจเข้าตัวความรู้สึกตัวยืนเดินนั้งนอนคือความรู้สึกตัวทำอะไรคือความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัวแล้วจะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงแต่นี่มันไม่ค่อยจะมีความรู้สึกตัวมันหลงก็ไม่เป็นไรแต่อาามันหลงเท่าไรตัวรู้สึกตัวน่ะบทเรียนมีค่าแล้วสอนตัวเราแล้วเราใดที่มันหลงรู้สึกตัวสอนเราแล้ว อนตัวเองแรกสอนจิตตัวเองสอนใจตัวเองสอนกายตัวเองหาวัสรุปปรอุปกรณ์มาผิดให้มัเกิดความรู้สึกตัวหาทีที่กระตุน้นเวลาใดมันหลงอ า, อาจจะสร้างจังหวะแต่งแรงเวลาใดมันง่วงอาจจะสร้างจังหวาจนกติมันสะเทือนยึดยึดนะลองดูถอด เริมตรงไหนที่มันอ่อดเสริมความเข้มแข็งเข้าไปตรงไหนที่มันตึงเกินไปก็ยามปรับให้มันพอดีพอดีมันมีความพอดีใบหน้าของเราวางไหวพอดีใจก็วางไหวพอดีตายก็วางไหวพอดีวางไหวพอดีวางไหวพอดีถ้ามันอยู่ในความพอดีมันก็ตั้งอยู่ได้นะแต่ที่อ่าตั้งเน่ยแต่นั่งพอดีพอดีไม่ต้อง บังคับกับใสจิตใจพอดีถ้าทางพอดีก็ตั้งอยู่ได้นหะพาทีมันเบาไปเลยกายร้องอุตาห์ฟมเบากาจิตร้องอตาความเบาจิดเบาจนไม่รู้อะไรเลยเบาจนเหมอนก็ว่าไม่มีนั่งักก็เลยเหยียนเกฟังก์ไปมาโออม้โหเดินมันก็ไม่ได้เหยียบพื้นดีนลยมันเบาเรียกว่ากายรมอตาจิตตร้องตามันเป็นกระดันั่งใหม่ๆนี่บางคนไม่เคยหัดตันั่งใหม่ๆนี่ตัวก็ไม่ตรงนาะ นั่งก็เพียบเหอเอ็ไปมาเก็บเ้องนท้ายจะนั่งไปนั่งมาตรงเป๊ะเลยปัดสมาธิเขามาแต่หลวาพ็ไปสอนคหลังอยู่ที่วัดท่านนั่งคัดสมาธินั่งขัดสมาธิไม่เป็นมันมันตกเรานะแล้วขอโทษคือนั่งคัดสมาธิแล้วนั่งไม่ตรงเลยแล้วก็รอนกันมากแบบข่มคอลงก็ไม่ลง นั่งกูโต้ก็เอาไปนั่งสามวันสี่วันนั่งลงได้สบายเลยทำทางซ้ายทำใหม่ๆอะไรทำไม่ ไ, ม ไ, ม ไ, มได้เอออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวตัวเองนั่งไม่ได้ก็อยไปกลัวเดินไม่ไหวก็อย่าไปกลัวขอให้เกลียมันก็ต้องหัวเท่าบองคนเดินกระซอกกระเซกทำท่าจะเดินไม่ไหวสองข่าวสามต้าเดินเดินไปเรื่อยมาแข้งอะไรแบบนัน เป็นไปได้การฝึกหัดถ้ามีสติรู้สึกการเดินการยืนการ น, นั่งการ น, นอนนะถ้าเรามาฝึกความรู้สึกตัวใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปขอให้ทนสักหน่อยปวดขาวปวดแขนบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรทนเอาหนึ่งทนเอาสองทนเอาไปมากก็เป็นไปได้บางทีก็ล้มมาใส่ความรู้สึกไปใส่ความรู้สึกไปเอาไปมาความรู้สึกก็เห็ความรู้า ม, รมากไม่โอกาสกันไป ถ้าลงเราก็เปลี่ยนเข้ามันเองลงใหม่ๆมันก็ว่าทั้งแข่มันเมื่อมันว่าเรามีสองแบบมันคิดไปโนดมันก็ดึงกลับมาแต่มือคิดไปมันก็ดึงกลับมาเมื่อคิดไปก็ดึงกลับมาเป็นภาละสู้กับความคิดเอาไปมาไม่ได้เด่นสนองพอรู้สตัวพอคิดตั้มก็เป็นหน้าที่มันเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติ เป็นธรรมชาติพอมันหลงก็มีหน้าที่ลูกขึ้นมาไม่ได้เจตนาที่จะไป ด, ดึงมันเลยมันกลับมาเลยมันไหวมันกัดมันหัดได้ทั้งท่านแลก็เราสอดตัวเราบางทีอ่าเราก็เห็นจันไรสารเนี่ยพิมพิมดิบตาของไม่ดูนะตาก็อ่านหนังสือแล้ว่ออพอหลงป้าไหมเขาทําไมถึงลุกเขาก็มาแก่แล้วก็อ่านหนังสือพมือหลงเขาก็กลับมามาแก่ถ้าหลงก็ลุก ถ้าคนจะไม่ชะนนานเรื่องใดถ้ามันหลงก็โูคแก้ทันทีแล้ว้องก็อะไรสารไม่ไพ่เราจะติดเข้าวไม่ต้องดูตาไม่ต้องโดนแต่ถ้ามันหลงเดีวตาไม่โดมันก็โรคเพรามูลมันถูกมันคินจังวะมันกกลับมาแค่คำว่าขึ้นตกมาแล้วก็ไปไปไปแล้วเราก็เขียนเรื่องสารไม่ไพ่นะลายไม่ไพ่โชคยากทําไปหมดแต่มือมือมันทำไปทำไปตาไม่ดู ความหลงปั๊บมันผิดมันผิดก็มาแก้ความจั่งนานมันโล้ยิ่งความรู้กับความลงยิ่งพิเศษเลยไม่ไม่ใครไปเอาความหลงเพราะมันไม่ถูกจริงๆความหลงความรู้สิ่ตัวมันถูกต้องที่สุดเลยยิ่งของกฎยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งไม่ถูกต้องเลยไม่ไม่ใครไปเอาของกฎบางคนโอ้ยห้ามใจยากห้ามใจยาก อาขอให้ทำอะไรไม่ยากสักหน่อยเรื่องใจนี่สอนง่ายกว่าการบางคนเราไปห้ามใจเถอะการหัดใจที่หัดยากเลยไม่ใช่รอ <c oughs> การหัดใจเี่หัดง่ายไม่มีวัตถุที่หนึ่งไปสอบการหัดตายเนี่ยโอ้ต้องให้ลายอย่างหิวข้าวก็ต้องกินข้าวพยาที่กินข้าวก็ต้องมีถ้วยมีช่างมีช้อนมีมือมีอะไรเปยกินข้าว หนาวก็ต้องหาผ้ามาห่มเก็บดัว ก, ก็ต้องเปลี่ยนไอ้ดทหาที่นั่งที่นอนแต่ใจให้เปลี่ยนได้ทัน ท, นทีไม่มีการไม่มีเวลาแต่กายต้องเหน็ดหิวข้าวตอนนี้เราไม่มีข้าวกินแล้วพงนี่ถึงจะได้กินแต่ว่าใจนี่เปลี่ยนได้ทันทีทันทีไปทีเดียวเครื่องของใจไม่ต้องไปขอร้องบุคคลที่หนึ่งที่สองวัตถุที่หนึ่งที่สองไม่มี เปียนได้เลยมันโกรธเปลี่ยนปั๊บทันทีมันทุกเปี่ยนป๊บทันทีมันหลงเปลี่ยนทันีเรื่องของเรื่องของใจสะดวกขู่กายตามที่ลหลวงพ่อพูดขัดตัวแล้วที่แรกก็อทอแท้มันกันยี่สิบวันเกือบจะบไม่รู้เลยมันมันอยากรู้กันไปมันลงทุนมากหลงพ่อปฏิบัติทำนี่ลงทุนมากต้องต้องด้วยต้องทวนกระแสออกมา เที่ยงลูกเที่ยงเมียมาต้องคิดถึงลูกั้งคิดถึงเมียทั้งคิดถึงนี่ถึงน้องแม่ก็หาก่าไม่ให้ใครเห็นดีด้วยพวกเราเนี่ยมาเดีวรถตู้มาส่ ง, ข, งข้าวไปถึงกับเป๋าไปเดียวนั่งรถเกลี่ยขี้ฝุ่นไปบางเลยหนุ่มไปก็ไม่มีใครไเปเลยคนแตกหน้าไเปเลยคนตาสาบางเลยมาล่าล่าเนี่ว้า มาใจเชิดบมาล่าล่าไม่ว่าเชี่ยวเหิงบ่รูไหมหลวงอคืออะไรนะรู้ไหมก็นอมาลาล่าไม่ว่าเชี่ยวเหิงบ่เหี้ยหลวงพ่อมมาล่าล่ามาเร่งเช่อบ่เ่ยวเหิงบ่อยู่น่านบ่เหิงคือหนาเร่นเล่งเร่นเร่นล่าล่าเออพวกเรามาเลย โรงพยาบาลบุรินทร์ลำนี่แต่เพื่อโรงพยาบาลสุลินพิชยูงศ์คนหมอประสาททั้งแม่บ้านทั้งคนไม้ทั้งลกูกชายสามคนโอ้ยกะทิดถึงแบบอุ่นใจที่สุดสบายเลยไปปฏิบัติที่เรื่องน่ะกะติก็าบอกมีอ๋อเมอเทียนที่จังได้ บ, บ่มีคนอยู่แล้วที่อยู่จังเสรได้ล่ะแต่ไปหาขอเตียง เธอขอเตียงวัดบ้านปากภู <c oughs> เอารอหน้าใสหมาไปซื้อผ้าพบติกมาทำหลังคาไปวางไว้ในป่า <c oughs> เอาผ้ากีวอร์ขาดขาดของพักมาทำเป็นป่า <c oughs> ผลฉกเพราะมันไม่กระเด็นเล <c oughs> ลงทุนตกใจครัวที่จะไปรู้เลยจนถามหลวงพ่อเถียบหนึ่งวันสองวันเก้าวันสิบวันเนี่ยยังไม่รู้เลยอยากเกินไป สามหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อครับผู้มาปฏิบัติหลวงพ่อไม่รู้อะไรเลยมีไหมไม่มีสักคนก็สิแม่นผ ม, มนี่แหละหลวงพ่อจะปวดนะหลวงพ่อเถียนจับมือทันทีเลยเดิ น, นเข้ามาจับมือไหนก่อนก็เป็นโยมท่านก็ได้ปวดไม่คิดว่าจะบวดต่อปฏิบัติทำนั่นอย่าไปคิดอย่าไปใช่ความคิด อย่าไปประเมินเอาการกระทำบุบเบิลวิธีใดที่จะลู่จุดตัวสร้างลงไปมันหลงวิธีใดลู่สุดตัวมันทําได้อยู่ทําได้ไหมคุหมอเวลามันห ล, ลงลู่จุกตัวได้ไหมได้ไหเวลามันหลงหลงไปสุรินหลงไปบริลัมศีเที่ยวแล้ววันนี้ไปขีเที่ยวเหรอกลับมาได้ไหมกลับมาอยู่สุดตัวได้ไหม มันไปถึงสเร้นกี่ที่ออกมาถึงบได้ลังไปถึงเทพมกี่ที่บอกลับมาได้ไหมกลับมาได้มานั่งตรงนี้มาเดี๋ยวนี้ก็อยู่กับกายเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันไปยึดเขกลับมาได้อีกขอให้เราเพียนตรงนี้กนะารปฏิบัติปะอย่าปล่อยปะแล้วเลยให้มันหลงมาพุ่งมันจะให้เราสอน ม, มันผิดตัวเราผิดมันจะให้เราถูกความผิดจะพาให้เราถูก ในการสอนตัวเราไม่ใช่สอนคนก็สอนคนอยู่มีโอกาสไดเห็นความผิดบ่อยๆนั่นแหละดีแหละเพราไม่ทํามันก็ไม่ผิดทาดมันฉลาดก็เพราะถูกติถูก ต, ถกติถูกเตือ น, อานการเตือนตนเองจงเตือนตนด้วยตนเองจงแก้ไขตนด้วยตนเอง จงมีสติจะอยู่เป็นสุขนะพิสูจทั้งหลายนี่เรามาเตือนตลอดโมโลสิบตัวโมโลสิบตัวโมโลสิบตัวเราเอาักอกเอาไก่มาบังกอกบางทีก็จะยำแล้ ว, าาวลนั่งอยู่มันคิดเปลี่ยนเอ้ยวิเดินจังกบเดินจังกบเน่มันคิดมันนั่งสร้างใช่ไหายอะแยกทางออกขออเดินเดินนั่งได้ อะไรมันง่วงง่วงจับให้ปวดแล้วจับผ้าเลยเช็ดประตูหน้าตา่างให้มันออกไปฉากมันซะ ก, ก่อนรู้สุดตัวเช็ดหน้าตา่างเช็ดผ้าเช็ดของซะหน่อยเดี๋ยวก็หายง่วงแล้วกลับมานั่งแล้วลอสอนะว่าจะนอนให้พรนอนให้อี่มจะให้เตือนสามทุน <c oughs> ยันหลับ <c oughs> อย่าหลับดึกเกินไปตื่นนอนแต่หัวค่ำตื่นดึกนั่งปฏิบัติถูกต้องถ้านอนดึกตื่นสายไม่ไปอดีนอนอย่าให้เปิดสามหลับกอ่อนเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นตอนเช้าโอ้ยสดชื่นสบายเหนวข้าวไหมเหนียวไหมอ่าถ้าหนียวก็ตื่นน้ำมาผ่านน้ำฝนำวันลอยบริสุทธิ์ วัน <c oughs> นี้น้ก็จะไปดูน้องชายไม่สบานที่ข้ออางอ๊อว้ก่อกันหน่อยแล้วก็บางทีจะกลับมาไม่ทันแล้วก่นีน่ก่อนนะ น, นี่ะนอออะอะระหังตัมมะสัมุ陀